กลับบ้านยามถือศิลปะอายุเก้าสิบแปดาในหลวง89 89สิบเก้าสิบเก้าาในหลวงเวลามีกําลังวังชา เราต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้พออายุล่วงไปอายุไขล่วงไปการล่วงไปอันนู้นก็สุดหรออันนี้ก็เสื่อมันนั้นก็โทมอันนู้นก็ชำรุดอันนั้นก็เจ็บอันนี้ก็ป่วยสารพัดใจยังไม่มีหลักยังไม่มีสมาธิเป็นหลักยังไม่มีปัญญาเป็นหลัก เราตั้งใจทำตอนที่เรายังมีกำลังวังชาดๆีๆนันได้หลักให้มันมีศรัทธาแน่นหนามั่นคงเป็นหลักให้มันมีความมุ่ง ม, มั่นให้มีประสบผลตามที่เรามุ่ง ม, มั่นไม่ถึงก็ห้าเอร์ซก็ย่สามสเนขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมันก็ยัง พอเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราฝุกเราฝืนเราอกเรารมมันเป็นเหตุเป็นผลพอจะมีใครเป็นติดเนื้อติดตัวไปผู้ทีตั้งอกตั้งใจนั่นแหละได้ผู้เม่ตั้งอกตั้งใจปล่อยชีวิตตามสุดวกสบายจะไม่ค่อยได้พอร่างกาย เท่าแจแกชรามาแล้วก็เป็นห่วงเป็นกังวลไม่มีอะไรเป็นหลักร่างกายมันไม่มีอะไรเป็นหลักอยู่แล้วอสภาพร่างกายมันมีอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเป็นหลักยังไงมันก็ต้องไปตรงนั้นมันไม่ไปที่อื่นมันไม่ไปตรงอื่นมันไม่ไปที่อื่นมันไปตรงนั้นเราจรึง ปล่อยเวลาเรืองเวลาเสียเวลาไปเปล่าๆไม่ได้มองเห็นคุณค่าของเวลาทุกเสี่ยววินาทีต้องหกตั้งใจบึ้งบึ้งบึบึนอยู่อย่างนี้นั่นเอาตัวรอดได้ไม่งั้นเอาตัวไม่รอดเอาตัวรอดไม่ได้มันง่ายมันยากแค่เรารักษาศีลเนี่ยมันง่ายแล้วมันยาก แค่ศีล5้าไม่ต้องพูดถึงศีลแปดมันง่ายหรือมันยากด้วยเหตุที่จริตนิสัยของเรามันทำอย่างนั้นมาจนชินจนจำเจแล้วเนี่ยมันเห็นกันเรื่องไม่ง่ายเลยแหละโอ้ทอะไรจะไม่ฆ่าสัตว์จะได้อะไรกินเราไม่ประพฤติผิดในกาม เรเกี่ยวข้องรู้สึกทําไมมันท้าทายก็ะเกินแอนกดไม่ได้เสียหายมันง่ายหรือมันยากแต่ถ้าเร า, ามีนิกริดุมีนิสัยมันง่ายมันไม่ยากเลยมันรับนวนสงวนตัวมันรักความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากให้มีเกรดดีมีดีทรี ด, ดีอยากให้มันดิบมันดีวิเศษวิโส ความกระยิมยิ้มย่องกับความทักบอกตั้งใจของเราไม่จงเป็นต้องใครรู้เรารู้นิสัยแบบนั้นช่วยตัวเิงได้เอาตัวรอดได้หลักของตายก็คืออนิีจันทุ์ผู้ฝังหน้ตตามันไม่ไปตรงไหนมันไปตรงนั้นมันไม่ไปที่อื่นมันไปตรงนั้น มอนอยู่สุขสบายยืนเดินนั่งนอนหูตาสติปัญญาอะไรมันประชับเฉยงว่องไวฝึกหัดเอาไว้ฝึกหัดเอาไว้จนได้นิสัยจนเป็นนิสัยจนเป็นพื้นเป็นฐา น, เ ป, น, านเป็นบาทเป็นฐานให้กับจิตใจของเราได้สำคัญที่สุ ด, ดากานทำอาหารกินก็เป็นเรื่องสำคัญ บางทีเราก็ไปให้ความสําคัญจนลืมลืมศิลนลืมธรรมอันนี้ก็แย่อันนั้นเราก็ทําศิลธรรมเราก็ดูแลรักษาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามอันนั้นเป็นทรัพย์ภายนอกอันนี้เป็นทรัพย์ภายในมิตรทรัพย์ภายนอกเวลาเราไปเราไปเมืองเปล่า เรามีทรัพภายในมากมายท่าไรเราไม่ไปมือเปล่าเรามีอะไรเป็นกอบเป็นกรรมติดเนื้อติดตัวไปมีสาคัญที่สุดเราเกิดความรู้สึกมีความรู้สึกอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเป็นผู้ทรงคุณในพระพระพิทศษศาสนานมีความกระตือรือร้นในการคร่ได้ไถ่มี ไม่ทําให้จิตใจของเราจืดชืดกับการเห็นสินเห็นถามเห็นกูอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เห็นวัดเห็นว่าเห็นเกดีวิหารให้ความสำคัญนั่นผู้ดีเห็นคุณค่าให้ความสำคัญแต่ถ้าตรงกันข้ามและเฉยน้อยคนที่จะทําความรู้จัก าคนเป็นอย่างงั้นจริงๆเราดูที่เราเที่ยวไปเราไปเราไปันจำเป๋แล้วน่ะไปดูฝูงชนอยู่ตามสนามบินนะไปดูเดินจะ ช, ชนพระมันก็ไม่สนเลยไอพวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรมาส่งศาสนาไม่รู้แหละแต่งตัวเนี่ยโอ้ยเ <ๆ S 1> ทียงร้องเอาสิทธิมนุษยชน เอาตรงไหนมาเป็นสิทธิเท่ากับผู้ชายผู้หญิงเนะี่ยวันนั้นยานทุยฉันใส่คอนี้เแหละเอาอะไรมาใส่เอาอะไรมาเท่าอับผู้ชายผู้หญิงเอาอะไรมาเท่ากับผู้ชา ย, อาอาาชายโดยเหตุที่พยายามเลี่ยนกลเพื่อให้เท่าผู้ชายนั้นแหละเดี๋ยวนี้ดูใส่เสื้อใส่กางเกงใส่อะไรดูสิ <laughs> ผู้ชายเขาสุภาพเรียบร้อยแต่ตัวเองนี่ อยากให้เด่นกับว่าผู้ชายไงไหมดูกขาหนุ่มก็ผมอาจารย์อุไทยท่านภาเอาความละอายไปไว้ที่ไหนเอาฮิริปวดตะปะไปไว้ตรงไหนอาจารย์อุไทยท่านปวดแสบนะอู้หลูกหลานเอ้ยเอาฮิริเอาโอตะปะไปไว้ที่ไหนคุณค่าของพระพุทธศาสนาไปเกาะอยู่ตรงไหนในหัวใจมีอะไรไปเกาะอยู่ตรงไหนไม่มี นี่คือมีแต่ความอยากเรียกร้องเอาสิทธิสิทธิคืออะไรพ่อแม่รู้ต้องการให้ผู้ชายเขาอุ้มคันเหรอธรรมชาติสร้างมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของของศีลของธรรมมันเป็นเรื่องของพระศาสนา มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแต่เราเอากฎหมายไปตัดสินมันเลยเสียหายเอากฎหมายไปตัดสินเสียหายผิดสินเวลาชำระเอากฎหมายไปชำระเสียหายมากมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายมันเป็นการเรื่องเรื่องการผิดสินเคยเห็นมาแล้วแหละ ทำตัวไม่ดีตัวเองทำตัวเองผิดศีลเต่เวลาไปพูดไล่ไล่เอาบทตัวบทกฎหมายนะครบเกลืล่อนนละมันไม่ถูกต้องเรื่องศีลธรรมมันละเอียดกว่ากฎหมายเหียนลึกเข้าไปถึงหัวใจเรื่องของศีลของธรรมเรื่องของฮีริของโอตับปากไม่มีฮีริไม่มีโอตับปก เอาอะไรมาเป็นมาเป็นประจักษ์พยานเอาอะไรมาเป็นประกันเอาอะไรมาเป็นเดิมพั น, นรับประกรันตัวเราได้ไม่มีไม่มีความละอายแก่ใจละอายแก่ใจของตัวเองไม่ใช่ละอายแก่ใจคนอื่นอยู่ตรงไหนก็มีความละอายละอายแก่ใจของตัวเองไม่มีความละอายแก่ใจของตัวเองทำได้หมดที่รับก็ทำได้ที่แจ้งก็ทำได้ ม, มีความละอายไม่มีเฮริไม่มีมมอดตะปะอดตะปะคือความเกรงกลัวคาว่าเกรงกลัวไม่ใช่เกรงกลัวเหมือนกลัวเสือกลัวสังกลัวงูกลัวสรพิษกลัวอะไรไม่ใช่กลัวผลของกรรมที่มันจะมาเล่นงานเรานี่คืออดตะปะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนหัวใจดวงนั้นมีความละอายใจใจอู้ลายใจใจระเกินอู้อดสูใจใจเกินละอายใจใจระเกิน ไม่ตระลาข้าว่วกมันละอายแก่ใจของตัวเองเหมือนพระนันท h ละอายหมู่ด้วยละอายแก่ใจตัวเองด้วยนันท h ตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้านนะละอายหมู่เพื่อนด้วยละอายแก่ใจตัวเองด้วยโอ้เลยถอนมาหมดเลยจิต ท, ที่มันเคยชอบนางจนบทกระยาเนี่ยถอนมาถอนมาถอนมา มันเคยเกะาะหนังฟ้าช น, นั้นชนะงามแล้วเกินจะเอาเป็นเอาตาให้ได้จะเอาให้ได้บรเจ้าคันรอดอยากได้ไม่นานถ้ายากได้อยากได้ตั้งใจภาวนาเราจะเอาให้โอ้หมูเพื่อนคนนั้ก็ซุบชิบคนนี้ก็ซุบชิบนะเกิดเรื่องเลยอู้เกิดความละอายกดสูงแล้วเกินทําไมมาตั้งใจเอาหนังฟ้าวะตั้งใจภาวนาหนังฟ้าเกิดความละอายจิตมันก็หดเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัว ทิ้งหมดแล้วนหะนันเงเจอาปัยานีกะทิ้งเทวดาชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนาฟ้าชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นไหนชั้นงามที่สุดมก็ลอายละเกินอาศัยความละอายตั้งอกตั้งใจภาวนาได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์นี่พระนันทนะที่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้านี่คือฮิริคือโอตบักมีคุณสมบัติมากมาย ใครมียิธิ์ใมีอัตราคนนั้นจึงเป็นเทวดาเทวดาเดินดินนี่แหละเสมอกันตรงไหนธรรมชาติมันเสมอกันอยู่แล้วเสมอกันโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดแต่วัฒนธรรมมันเสมอกันไม่ได้ ด้วยเพศด้วยไวัยด้วยวัฒนธรรมมันเสมอกันไม่ได้ด้วยเหตุที่เสมอกันจึงพยายามจะเกี่ยบระกายแล้วก็มีอะไรดิรีๆทาลายวัฒนธรรมไปหมดวัฒนธรรมที่ดีที่งามเสียหายไปหมดเพราะอะไรเพราะอยากขวดเด้งใส่กันอ๋อหลอกผัวเมียต่างคนต่างถือสิทธิมนุษยชน วาเราเราเขาว่ากลับด่าเราเราก็ด่ากลับตีเราเราก็ฟ้องกลับเอาอะไรเป็นพูดนำเอาอะไรเป็นพูดตามไม่มีไปตั้งความแข็งใส่กันงนั้นเอาอะไรเป็นผูดนำเอาอะไรเป็นพูดต า, ามดูพิมพาท่านตามพุทธเจ้านะทุกภพทุกชาติตามยอมสิโรรา สติปัญญาบางอย่างคาดพลังมีปัญญาบอกแนะเตือนสอนอะไรแต่ลออะกันได้ดูพระฤาเจ้ากับมัดสีเนี่ยมัดสีตามดูนางพิมพาพิมพาไม่ชาติสุดท้ายเนี่ยรุ่ยเจ้าออกบำเพ็ญทุกยากลำบากกันดาล เห็นท่านทุกอ ย, ย่างลําบากอย่างไงตัวเองก็พยายามทําเหมือนท่านไม่เอาเปรียบเพราะตัวเองอยู่วังเนี่ยกินอยู่หลับนอนสะดวกสบายเอาเมื่อความสะดวกทุกอย่างแต่ไปเทียบกับท่านอ่ะท่านอยู่อย่างทุกอย่างยากอย่างลําบากอย่างอันดานตามท่านเห็นไหมคือประดับประดาออกหมดที่หลับที่นอนฟูกหมอนเอาออกหมดกูผ้านอนกระพื้นเรียกง่าย ทานวันมือ้อรับทานอาหารรันมือ้อจิตใจผูกพันอยู่กับศีลศัทถานั่นนตั้งแต่สมัยออกออกบัว น, นั่นผูกพันกันนี่คืออันนี้คือตามคนหนึ่งนำคนหนึ่งตามคนที่ดีกว่าคนที่มีธรรมมากกว่าคนนั้นเป็นคนนำคนที่ด้อยกว่าเป็นคนตามแต่ถ้า มีความสําคัญเท่ากับขวาซ้ายเหมือนพระสารีบุออตรทมโคลนนาต่างสนับสนุนกันคนนี้สนับสนุนคนนี้สารีบุตรสนับสนุนโมคลานาะคลาโมคลานาสนับสนุนพระสารีบุตรเพราะมีความสําคัญมีเป็นเบื้องซ้ายเบื้องขวาด้วยกันเหมือนกันมีความฉลาดมีความรอบรู้ทําอะไรได้เหมือนกันอคติสาวกเบื้องซ้ า, า, งายเบื้องขวาแต่ด้เหตุที่ว่ายกให้ปัญญาเลิศกว่าก็เลย ภาษาบุทธเบื้องขวาโมคลานะเบื้องซ้ายถึงตรงนั้นก็ตามท่านจะท่านจะเข้าสู่ปริปรนิพานแล้วภาษาบุตทธนะยอมมันดาของท่านนะ่ยยังเป็นยังเป็นมิจฉาทิถีเลยยังนับถือก็โกรธเห็นว่าโมคลานะ เ, เห็นภาษาบุตรไปที่บ้านโอ้ยลูกเอ้ยอายุมากขนานี้แล้วมา ท, มทาําไมคิดว่าลูกจะไปสื่อ ภาษาพิบุตรเนี่ยท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานในคืนนี้แล้วแต่มาคิดถึงแม่แม่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เลยเลยตัดสินใจพาหมูพาเพื่อนลาหมูเพื่อนไปโปรดแม่ไปเนียไปพักในห้องห้องที่ท่านเกิดอ่ะห้องที่ท่านประสูจน่ะห้องที่ท่านเกิดอ่ะพอเข้าไปแล้วท่านก็เริ่มป่วยอเลือดออกเลือดตกท้องถ่ายท้องถ่ายอะไรเนี่ย อยานนกนะครับเทวูเทวดาทุกชั้นฟ้าก็มาเยี่ยมท่านตั้งแต่ตอนหัวค่ําดึกเข้าไปชั้นกระมาหรือเข้าไปชั้นนั่นเท้าอินเท้าพรมเท้าอะไรมาหมดเทวดาตนไหนมาก็ปรากฏเป็นแสงว้าผ่านประตูว้าทำประตูแม่ก็ไปยืนดูเอ้ลูกเออมีแสงอะไรเนี่ยแสงน้ำเหลือเกินแสงแตกต่างกันเดี๋ยวแสงเข้ามาเดี๋ยวแสงเข้ามา โอตอนนี้พระอินท์โอ้แสงองค์นั้นองค์นั้นนั่นพระพรหมพรหมไหนลูกพรหมไหนพระพรหมท้ามหาพรหมนั่แหละนะนางนี่บูชาพระพรหมศาสนาพราหมณ์เขถือพระพรหมเียนางบูชาพระพรหมมาไม่เคยเห็นหน้าพระพรหมเลยไม่เคยเห็นพระพรหมรูปร่างลักษณะเป็นยังไงไม่เคยรู้จักแต่ทําไมพระพรหมมาเยี่ยมมากราบลูกของเราพระสารีบุตรก็เลยล่าฟัง โอ้ท้าหมหาพรหมอาเป็นผู้มาอุปสมบททางเหมือนกับเนรน้อยของอัตามาโอ้ลูกเราเนี่เป็นพรหมของพรหมเห็นความปัสยจารของลูกแล้วตอนนี้เริ่มฟังแล้วผู้อ่านเริ่มเชื่อเริ่มฟังแล้วในที่สุดก็เลยได้เป็นพระโสดาบันยอดอัดยอดทำเข้าไปพระสารีบุตรยอดอัดยอดทำเข้าไปในคืนนั้นนางก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ธรรมะใดดวงตาเห็นธรรมจิตมันยอมรับกระแสะหมดทุกอย่างกระแสะของโลกด้วร่างกายนี่แหละอันนี้จังทุกขั้ง น, าาน่าตานี่เป็นกระแสะของโลกกระแสะของสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวง ก, กระแสะของมันคืออย่างนี้เป็นไม่คองที่เปลี่ยนไปการะเกณให้เป็นไปตามใจหวังสักอย่างก็ไม่ได้กระเกณไม่ได้ ไม่มีกาําลังวังช้าไม่มีเรื่องไม่มีแรงไม่ควรเจ็บก็เจ็บไม่ควรปวดก็ปวดไม่ควรเป็นนุ่นไม่ควรเป็นนี่กับเป็นต้องการยังไงก็ผิดหวังหมดต้องการยังไงก็ผิดหวังหมดใจนั่นแหละมันโง่ที่สุดมันเป็นบังคับให้เขาเป็นไปตามตามใจขั้ตัวเองเขานี่เขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเขาต้องแก่ตามเหตุตามปัจจัยเขาต้องเจ็บเขาต้องตายตามเหตุตามปัจจัยเพราะเขามีอายุไข เ, เขาต้องหิวเขาต้องกระหายเขาต้องเป็นไข่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลต้องรับผิดชอบต้องนู่นต้องนี้นี่คือภาวะของสภาวะธรรมที่เรียกว่ากระแสะของธรรมกระแสะของธรรมอั น, นิจ้จังทุกขันธนักตานี่แหละร่งกายจะไปสำคัญมันม่นหมายให้มันเป็นอะไรอย่างมันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่ได้เราฉลาดรักออกกายนี่แหละทําประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ทั้งท้งที่เรา มีกำลังวังชามีเรี่ยกแรงอยู่เขาก็จะได้รับประโยชน์จากเขาแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วตายชิ้นเปล่าร่างกายตายสลายชิ้นเปล่าแต่ใจไม่ไ ม, ไม่ตายใจไปหาที่อยู่ใหม่ถ้าทำคุณสมบัติไว้มากก็ไปได้ที่ดีทำคุณสมบัติด้อยไ ม, ไม่ไม่พอที่จะได้เป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตำต้อยกว่า น, นั้นอีกเป็นเป็นสนรก เพราะว่าคุณสมบัติของจิตมันขึ้นขึ้นลงลงตามอำนาจของตันหาที่มันพาขึ้นพาลงมันไม่เคยคงที่มันไม่เคยเท่าเดิมไม่มีสังขารใดทั้งรูปประทับทั้งนามธรรมที่จะอยู่เท่าเดิมไม่มีไม่เคยมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราดูสิ่งรอบข้างตัวเราเราดูอะไรบ้างที่คงที่อยู่ในครัวเราไม่มี อนนัมาหงอันนี้ก็มาต้องนนั้นก็หมดไปอันนี้ก็เน่าไปอนนัตั้งอยู่ร่วงไปทั้นั้นชัโวทั้งนี้โยโคอันนั้ก็บูดไปอันนั้นก็ทิ้งไปอันนั้ก็เปื่ยไปมีอะไรอยู่เท่าเดิมไหมนี้ร่างกายของเราก็ไม่อยู่เท่าเดิมจิตใจของเราก็ไม่อยู่เท่าเดิมในโลกนี้สามแดนโลกธาตุรูปโลกอรูปโลกสามโลกรูปโลกอรูปโลก ไม่เคยมีสังขารใดอยู่เท่าเดิมไม่มีมิจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปของแล้เม็ดหินเม็ดสายไม่เคยมีสิ่งใดอยู่เท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยส่วนประกอบสิ่งใดที่เกิดขึ้นด้วยส่วนประกอบสิ่งนั้นไม่เคยคงทนไม่เคยคงที่เราดูเห็นอะไรเป็นของคงที่บ้างดูต้นเสาดูหลังคาดูฝาผนัง ดูสนุนหนทางเรดูอะไรดูต้นไม้มีอะไรอยู่คงที่เสียอยา่างไม่มีเป็นเหล็กเป็นลาหรนะือเหล็กก็ดูที่วันคืนล่วงไปเด็กส น, มก น, กาาสนิมไม่กินแล้วเหล็กขาวขาวสนิมไม่กินแม้กระทั่งเหล็กปล้าเราอายุเป็นหมื่นปีเป็นแสนล้านปีลองไปดูมันก็จะต้องเปลี่ยนรูปของมันไปเป็นอย่างอื่นแต่หากมันเปลี่ยนช้ามันไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่มีอยู่เท่าเดิม สิ่งที่อยู่เท่าเดิมสิ่งที่คงที่ไม่มีเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งเดียวสิ่งนั้นไม่ใช่สังขารคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระอระหันต์มีเป็นจิตของพระอระหันต์ท่านไม่เรียกสังขารไม่เป็นกองสังขารอยู่เท่าเดิมคงที่ลุงตาเว่าเ ท, ที่ยงจิตเที่ยงจิตเที่ยง ไม่มีอะไรอย่างทุกขั้งนั้นาเพราะจิตดวงนั้นประาศจากกองสังขารกองสังขารที่เป็นเรื่องของกิเลสกองสังขารที่เป็นเรื่องของตัณหาราคะอะไรต่างๆสารพัดที่เป็นรบไปรุมไปร้าวในหัวใจเพราะสละสละสละตัดจ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเป็นกองสังขารเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีสถานที่จํากัด ไม่มีการเวลาจำกัดไม่มีระยะเวลาจำกัดทะนั้นกลับทะนั้นแสนกลับท่นั้นล้านกลับไม่มีนำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการนั่นคือสภาวะที่ประจักษ์กองสังคาญแต่สังขารเราข้างตัวเราเราดูมีอะไรอยู่คงที่บ้างไม่มีอะไรอยู่คงที่แต่ด้วยเหตุที่จิตที่มีตัณหาปนเปื้อนมาด้วยมันไปหากะเกณฑ์ทุกอย่างให้เป็นไปนตามใจหวังของมั กะเคนอันั้นก็ผิดหวังกะเคนอันนี้ก็ผิดหวังกะเคนสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจตัวเองก็ผิดหวังผิดหวังทุกอย่างทุกเรื่องผิดหวังทุกอย่างผิดหวังทุกเรื่องความทุกข์ตามมาทุกอย่างความทุกข์ตามมาทุกเรื่องทุกอย่างผิดหวังมีอะไรที่เราสมหวังบ้างสมหวังก็กรยิมยิ้มย่องคือชุ่มกระชวยนิดหน่อยเพลินใจนิดหน่อย เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปแล้วดีใจเคลื่อนใจนิดหน่อยเดี๋ยวกเปลี่ยนไปแล้วมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอยู่เท่าเดิมเพราะทุกอย่างอยู่ด้วยระบบระบบของงานอยู่ด้วยระบบระบบของงานสัานทุกกองถือว่าเป็นกองงานเราดูไปท่านหลบบนหัวเรานะั่นคือกองงานกองงานหนึ่งมันถูอะไรผลักดันอยู่บนนั้น นั่งจ็น ก, กองสังขารมีอะไรอยู่เท่าตัวมั้ยมีอะไรอยู่เท่าเดิมมูนไปไม่หยุดไม่ย่อนสึกร้อเสื่อมเสียพังในที่สุดดูหลอดไฟดูอะไรบ้างมีอะไรบ้างอยู่คงที่แก้วกระจกอยู่คงที่ไหมเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ทลายท่านั้นหมื่นปีท่านี้หมื่นปีเดี๋ยวเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นไปแล้วไม่มีอะไรคงที่เป่นชื่อว่ากองสังขารกองสังขารสิ่งปรุงสิ่งประกอบ พวกเราตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่เราพยายามตั้งใจแยกผู้รู้ของเราให้เป็นอิสระจากกองสังขารกายเวทนาสัญญาสังขารจิญาณนะรูปเวทนาสัญญาสังขารจิญยาณรวมแล้วคือมหากองสังขารมีอะไรอยู่คงที่สาาเสียอย่างมีไหมไม่มีเราทุกข์กับมันไหมเราทุกข์เรามีกายเราก็ทุกข์กับกายเพราะเราหลงยึดมัน เรมีเวนเทนาเราบรรทุกเอาเวทนาเพราะเราหลงยึดมันเวทนาเราเราเป็นเวทนาเรามีสัญญามีความจำเพร า, าก็ราหลงกข้มันเราประทุกกข้มันเรามีสังขารและมีวิญญาณสภาพที่ปรุงแต่งจิตนั่นแหละเขาเรียกกองสังขารจิตที่ปรุงแต่งยักยักยักยัอยู่ข้างในนั่นจิตมันปรุงมันแต่งมันอยู่คงที่ไหมมันเร็วยิ่งกว่าลิงลิงโดดจากนู่นโดดจากนี้โดดเกาะนู้นโดดเกาะนี้ แต่จิตของเราเร็วกว่านั้นมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเกาะ น, นู้นเกาะ น, นี้เกาะนี้เกาะนั้นเพราะฉะนั้นใครสงบพระนับสิ่งเหล่านี้ได้คนนั้นจึงมีคุณธรรมสงบพระนับให้มันคงอยู่กับที่ได้คนนั้นมีสมาธิได้สมาธิสมาบัติเอาสมาธิเอาสมาบัติที่จิตตั้งมั่นอยู่นั้นพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันยอมรับ ไม่ตากเปียนให้เป็นไปตามใจปากของตัวเองมองเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาโผล่ไม่ได้เหลือแต่อนัตตาด้วยเหตุที่บังคับบัญชาไม่ได้นั้นแหละเพื่อเจ้าท่านจิตทรงตรัสว่าอนัตตานัตตาแทนที่จะกำมือเป็นการแบมือเป็นการปล่อยมือเป็นกันยอมรับวางไว้ตามสภาพสภาพที่เป็นจริงเพรามันเป็นยังไงก็วางไว้ ไม่เอาอะไรไปกระไปเกลนกับอะไรทุกอย่างภาวะของสิ่งอยู่รอบข้างตัวเรามันมีกิริยาลักษณะเป็นเหตุที่เราเรียกว่าอัดตาไม่ได้แต่ตันหามันอยู่ในใจมันพาถึงว่าเป็นเรา ว, ว่าเป็นของพเรามันหลงยึดหลงถือสำคัญ ม, มั่นหมายเพราะทเจ้าทิ่สอนให้เราพิจารณาแยกแยะ ให้เห็นเป็นเหตุให้เห็นเป็นปัจจัยเห็นเป็นเหตุเห็นปัจจัยสมมถะกับวิปัสสนาจึงเครือกูลเกื้อกูลมากับงานเหล่านี้และเป็นงานหลักของชีวิตจิตใจของเราเชื้อเราสนใจกับสิ่งเหล่านี้ทําให้เราไปดีทําให้เราไปสว่างโชติโชติปรายโนมาสว่างไปสว่าง เราไม่สนใจเลยกรรมอจะมาสว่างยุบแต่เราไปมืดโชติตรรมปรายโนโชติตมะปรายโ น, ม า, ยโนมาสว่างไปมืดยกตัวอย่างเหมือนอย่างที่เราไปมืดหมายว่าประโลกขเรามันมืดใจขาดใจดับ ป, ปั๊กปั๊กไปไหนไว้มืดตึ๊ด ต, ตึประโลกมืด พร้อมไปด้วยความลุ่มหลงสัมผัสไม่รู้ไปตกที่อะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัเราเดินในที่มืดตกหลุมจกล่องเหยียบฝับบงเหยียบน้ําเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปได้หมดจะใช้จิตสว่างรู้ไปมันมองเห็นเหมือนกัเราเดินไปในที่แจ้งเห็นมุนเป็นนุ่นเห็นนี้เป็นนี้เห็นสิ่งสิ่งที่ดีงามเห็นสิ่งที่เป็นอสถพิษเห็นอะไรก็รู้จักหลบรู้จักหล ไปด้วยปัญญาสว่างด้วยปัญญาสว่างด้วยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธตายไปพร้อมกับพุโทโธสว่างปิดดวงนั้นสว่างตรงกันข้ามแล้วมืดตัดขี้ปลายจนปัมืดกระจกนรกกระจกนรกขุมมืดเปลี่ยนภัยสาระสารพัดในช่วงที่เราเป็นอยู่ด้วยเหตุที่จิตเรามืดมันไม่ค่อยจะมองเห็นคุณเห็นโทษ จิตของเราก็าเลยมืดโอกาสที่จะบึกบึนตักตัวเงาคุณงามความดีที่เป็นศิลเป็นทรรเข้าสู่หัวใจมันไม่ค่อยมีจิตของเราก็าเขา ย, ยิงมืดตึ๊บเข้าไปอีกเวลาสังขารดับไปจิตมันไม่ดกักจิตมันไปไปหาจับจองมีคุณคุณสมบัติพรก็ได้ที่ดีมีคุณสมบัติไม่พอมันก็ได้ที่ไม่ดีทําช่วยช้าลามวาไม่มีคุณสมบัติพอเป็นมนุษย์ เป็นศักดิ์เป็นเปรตเป็นนสุรกายมดลองนรกเอาไปดีอยู่ด้วยการเตียบตะกายด้วยการฝักฝ่าฝืนด้วยการฝึกผลด้วยการอบรมเพื่อต้องการให้กิตได้รับความสงบได้รับสติได้รับปัญญาทําให้เราเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตจิตใจของเราร่างกายตายจิตไม่ตายจิตไปด้วยความสวา่างสวายส ง, าสงา่าผ่าเผยมีความสุขมีความเจริญได้ที่ดี ดับไปเปรโลกก็เป็นปรโลกชั้นดีอย่างน้อยๆอยอามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นดีคือควรอบมขินธรรมมาเกิดที่ไหนก็มีที่ศึกษาธรรมพระพุทธรรมปฏิบัติธรรมเป็นปฏิรูปประเทศมันเป็นไปนตามบุญที่อำนวยความสะดวกให้กับเราท่านจึงให้คำนึงคำนวณสิ่งเหล่านี้ให้มากธรรมะหากินหลักธรรม เราไม่ลืมงานข้างในที่เราจะต้องไปงานหนึ่งเพื่อกายอีกงานหนึ่งเพื่อใจเราจะไปเพื่อกายอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องใจดวงตาแล่น้อยใจของเรามันร้องหาคนที่จะช่วยเหลือทุกระยะทุกเวลาแต่เราไม่เคยสนใจสนใจแต่เรื่องกายเรื่องของศีลเรื่องของธรรมกันเรื่องของจิตใจพอจิตใจงาม กายวายาก็พลอยงามไปด้วยถ้าจิตใจไม่งามกายวายาก็พลอยขี้รื้อเรยาบช้าทารุนไปด้วยมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของใจใจมีบุญคือใจมีความดีใจไม่มีบุญคือใจมีมีบาปใจมีความเละมีความชั่วฉุนเฉียว ทุกจริตผิดมนุษย์หยาบช้าทารุณอยู่นั่นแหละไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปเพลินไปกับอำนาจของตัณหานันธิราคชาคตาประกอบกันไปด้วยกับความกำหนัดความยินดีความเพลินใจกับตัณหาต้องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไปที่ไหนก็คือไปเกิดที่นั่นไปที่ไหนก็เกิดที่นั่นจากตัวนี้พาไปเกิด ไปพร้อมด้วยความอินดีพอใจที่ถึงที่ทเรียกว่านันทิราค่นนันทิคือความเพลินใจความพอใจมันประกอบไปด้วยกับความอยากก็ตัวตัณหาที่อยู่ใใจของเราพระพุทศาสนามีคุณค่าในหัวใจของเราพระพุทศาสนามีคุณค่า สำหรับคนได้ยินได้ฟังได้ทั้งอกทั้งใจฝึกผนอบรมแล้วก็มีคุณสมบัติเกิดขึ้นในหัวใจเป็นประจักษ์พยานเราฟังดูแต่อาณาถาบิณฑิกาเศียีที่ท่านเดิมใส่ศรัทธากับพระพุทธเจ้าแม้ชีวิตท่ทานจะให้ได้เลยไปซื้อวัดเชตวันน่ะวัดเชตวันไปซื้อนึเอาสมบัติมากมายมหาศาลไปและเป็นเหรียญมาปูจนเต็มพื้นที่ไม่งั้น ไม่งั้นพ ร, ระเจ้าประสิทนิ์ตำแ่งกอส่วนไม่ให้มันเป็นที่ที่ของอมองเีตวันวัดเคตวันซื้อด้วยความยากลำบากมากไปแลกไปเปลี่ยนด้วยความเลื่อมใสศรัทธามาที่แขวนมาคดไม่เห็นผู้ดิเจ้าสอนบริษัทบริวารเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญ อยากให้ไปตรวจที่เมืองของตัวเองบ้างเมืองพาราณสีเชตวันเมืองพาราณสีนะเจตวันมคตในเมืองราชคุรีแงมงมรค ว, ควค้นมคธมีพระแคว้นเลยนิมนต์พระพุทธเจ้าใหเสเด็จไปแล้วก็อยากได้ถวายอยากถวายที่พักที่ที่ทำนักกับพระเจ้าพระสงฆ์ถวายกับพระพุทธเจ้า ขอโปรงรับป่ากเลยโปองจะไปเลยไปขอพื้นที่กับกษัตริย์นู่นนะเมืองกาสีภาราณสีกาสี <c oughs> แล้วก็ให้แบบเสียไม่ได้ว่างั้นเถอะให้เอาเงินที่เป็นเหรียญมาปูจเต็มไปหมด เห็นดินไม่ได้นะเห็นดินไมเอาปูจนเต็มพืชพืชเอาเธอสามารถปูถึงไหนเอาไปถึงนั้นได้เลยปูปูปูจนเกือบหมดเนาะจนเกือบไม่มีประตูที่จะเหลือเนี่ยไอ้เจ้าเชิดเจ้าเชิดเนี่ยสวนเจ้าเชิดเนี่ยฉลาเด่ขายเขาทั้งหมดนะเขาปูมาปูมาปูมาเออตรงนี้ตรงนี้เราขอเราขอเราขอสร้างประตู เป็นประตูและคอร์สให้ชื่อว่าเชิตะวันเชิดตวันนะแล้วว่าแปลว่าปากของเจ้าเชิแท้ที่จริงมันขายไปแล้วขายให้อนาถาพิธิกรรไปแล้วอนดูฉ <c oughs> ลาดเลฉลาดไ ม, าไม่ให้เขาปูเห็นไหมเสียท่าไหมเงินทองแค่นั้นมันไม่มีคุณสมบัติอะไรแม้แต่ให้ชีวิตสามารถให้ได้เลยนั่นดูด้วยความเริ่อมใส่ศรัทธาชีวิตไม่มีคุณค่า ม, มีความหมายหด้วยความเริ่อมใส่ศรัทธา ที่เราดูสิ่งนี้เราดูไปแล้วเกิดความสะท้อนมาถึงหัวใจของคนคนเราที่มองเห็นความสำคัญเกิดความเรื่อมใสศรัทธามันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นคนเราจึงไม่เท่ากันความเป็นอยู่สติปัญญาความได้ง่ายได้ยากลำบากคล่องอะไรไม่เท่ากันเนื่องจากความร่เบียงของจิตมันไม่เท่ากันความเลื่อมใสศรัทธา เรารู้แต่พวกเราตั้งออกตั้งใจทําภารกิจศาสนาเรามีความหนักแน่นมากน้อยเท่าไรอะไรยังไงเราดูผลรายได้ที่จะพึงได้ในใจิตในใจของเราคืออะไรเป็นอะไรเนี่ยเรามีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดจริงจังขนาดนั้นอะไรเป็นยังไงมันเป็นเรื่องบองบอ ก, บ อ, กอยู่ในนี้แหล ะ, ะเพราะฉะนพวกเราไม่มีใครโชคดีเทือาสับพวกเราได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษาได้ฝุดได้สวยได้ออกได้รงขอสำคัญเรามีโอกาสเราให้โอกาสกับการศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้ยินได้ฟังเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความพลินปีติยินดีทําให้ใจรื่นเริงเพลินกับเรื่องอัดเรื่องธรรมรู้เรื่อ ง, องของกิเลสของตัณหาที่มันมากวนใจเรารู้วิธีเกิดขึ้นรู้วิธีตั้งรู้วิธีละ รู้วิธีเว้นได้หรือมาได้กับตอกอันกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ถอยอะไรเอาเป็นเอาใจใส่เข้าไปอะไม่ถอยลองมองเห็นเป้าประสงค์ที่แทยย้จริงแล้วเราก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นไม่ใช่ตั้งไว้อย่างลมๆแรงๆให้ความสําคัญเห็นคุณค่าให้ความสําคัญน้อยเกินไปไม่พอจะเกิดประโยชน์อะไรในหัวใจเวลาโทษเราเราก็ไม่ได้จะไปโทษใคร เราก็ต้องมาโทษเราเองเพราะเราให้ความสําคัญ น, น้อยเกินไปคนอื่นเขาให้ความสําคัญเต็มเปี่ยมเต็มแพร่เขาตักเข้าตัววงเขาได้เป็นก่อเป็นก ร, รมเป็นเป็นแท่งเป็นชั้นเป็นภูมิไอเรานี่อ่าก้มก้มแกมแก้ ม, กมถ้าเป็นหวานก็หวา น, ลานปลาั๊มปลั๊มไม่พอที่จะแซ่บที่จะอร่อยในหัวใจ ถ้าเรประลบทำมาพอผมเป็นข้อพิเศษสำหรับพวกเราเเวลานี้เป็นเวลาภาวนาให้พวกเราตั้งใจภาวนาไปมาพุทโธไม่อยู่อยู่กับพารามันเดียวเป็นสมถะัวบรวมเหมือนกับเอาแบตเตอรี่เอาชาร์จไฟแบตเตอรี่ชาร์จไฟโซลาเซลล์เข้าแบตเตอรี่เพิ่มเรืเพิ่มเรืเพิ่มเรื่อเพิ่มเรท่อยงคืนเราก็ได้ใช้ เพราะเราสะสมเอาไว้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรชาติเข้าไปเลยเนี่ยเราใช้พอหมดแสงตะวันมันก็หมดแล้วไม่มีกําลังมาใช้อยู่แล้วใจของเรา่าเช่นเดียวกันเราเจริญสมถะต้องการให้ใจมีกําลังเป็นสมาธิสมาธิจะอหนุนปัญญาทาให้เราพิจารณาใเกิดความรู้ความเห็นทางด้านปัญญาง่ายดูอะไรก็เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นโทษเห็นไถ่เห็นกิริยาการกิเลสตัณหาอาศมา เห็นภาวะความเป็นไปตามที่มันมีมันเป็นอนิจจัยทุกขงอนัตตารู้ว่าอะไรเป็นอัตตาเป็นจิตได้เกิดอัตตารู้ว่าอะไรที่เป็นอัตตามนไเป็นอนัตตามันท้าทายในหัวใจของเราทำให้เราศึกษาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ครอปฏิบัติพิจารณาหลายอารมณ์หลายอย่างหลายเรื่องพิจารณาดูการขยับขยายของจิตของเราพิจารณาจากทุก ไล่ต้อนไปที่รูปดูมาพิจารณาไปพิจารณามาเห็นจิตเห็นจิตดีใจเห็นจิตยินดีเห็นดดจิต ย, ยินได้การเปลี่ยนอารมณ์เหล่านี้ในขณะที่เรานั่งทํางานอยู่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ที่ทําให้เราพิจารณาเกิดกัญญาเรามาพิจารณาเพื่อใ ห, ให้เห็นความหลงของเราเองจิดของเราหลง ลองรูปพิจารณารูปไล่ต้นไปที่รูปไปแยกแยะที่รูปรูปคืออะไรเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่หรือเป็นเราอ น, นุเหรือเป็นเราอันนี้หรือเป็นเราไล่ต้อนเข้าไปเพื่อให้ตังหานี่หัวใจของเราเนี่ยมันจํำนนจำนนต่อเหตุต่อผลด้วยเหตุที่เราไม่เคยไล่ครับต้อนมันเนี่ยมันไม่จำนนต่อเหตุต่อผลต่อสู้มันไม่ได้มันเป็นอำนาจหัวใจของเรา หลอกเราใช้ทุกระยะทุกเวลาน่าเสียใจถูกมันหลอกใช้เราทุกระยะทุกเวลาใช้ไปใช้มาทุกข์กับมันอีกแล้วใช้ไปใชัมาทุกข์กับมันอีกแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่ทุกข์ใช้ไปใช้มาเลอนใจนิดหน่อยทุกข์กับมันอีกแล้วคนมีปัญญาพิจารณารู้เห็นตั้วใจเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กลายเป็นเหตุ สพื่อสถะเพื่อความสงบอะไรเป็นเหตุเพื่อเกิดปัญญาคุณค่าของปัญญาคืออะไรเป็นหไรอย่าลืมว่าคุณค่าของสมถะของวิปัสสนมามันมีคุณทั้งทางคดีโลกมันมีคุณทั้งทางคดีธรรมเราอยากสี่ปัญญาเหล่านี้ไปพิจารณาใช้สอยในทางโลกมันก็มีปัญญาแพร่กล่าวเพราะอะไรพระุทธเจ้าท่านสอนเราใช้ปัญญามันจึงเกื้อกูลมันเป็นงานมันเป็นวิธีการ มันเป็นข้อปฏิบัติที่เลื่อกปูนกับจิตของคนทุกชนทุกชั้นทุกระดับชั้นยกเว้นแต่คนมีกรรมมาใบวิกลจริตทําอะไรไม่ได้ น, นั่นเอนนคืกรรมของเขากํามันหนักเรามีสติมีสมัมผััญญะพอประมาณรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีรู้นู้รู้รรนี้เรามีบุญเหมือนกันสามารถทําได้ฝุกผลอบรงได้ถ้าหกตั้งใจทําได้ วันนี้เรานั่งภาวนาไปจนสองทุ่มเสร็จแล้วเราก็ทำมมวัดสมุนต์แล้วนั่อยู่กับอารมณ์เดียวนั่น อ, อยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไปานา น, น, านเจ็บปวดก็ไปดูเจ็บปวดตามดูเวทนาหรือไม่กับตามดูจิตหรือไม่ก็ตามดูเวทนากำหนดจดจออยู่ เราจะเห็นที่ไปที่มาก็เหมันเราจะเห็นโมหะความลุ่มหลงของจิตของเราที่มันถูกตันหาพาหลงเราจะเห็นเจ้าตัวตันหามันโผล่มามาแสดงความจักจองเป็นเจ้าของอนะนั่นตัวเจ้าปุจเจ้าบาทเจ้าวัตตะตัวนั่นแหละเจ้าตัวความอยากอะไรยากปใจเรานั่นแหละมันอยากดูไปเห็นใจที่มันอยาก โอ้มันก็มีแต่คนตายนั่นแหละมันไม่อยากคนเป็นมันต้องอยากสิขอให้อยากเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงส่งเสริมมากอย่าให้เป็นยากบำรุงส่งเสริมสมุทไทยตามอานาจของกิเลสมันอยากเหมือนกันอาศัยความอยากโดยทมนี่แหละสั่งสมอบรมให้มากมันจะชนะความอยากตามอานาจของกิเลส คือปัญหาถ้าเรากําลังไม่มากกําลังไม่พอเราก็ถูกมันย่ำดีถ้ากําลังเราพอมันก็ยูหมัดเราได้เหมือนกันอย่าง น, น้อยๆมันก็แซงเราไม่ได้แซงอย่างนั้นนะ่เะเผลอที่ไหรเมื่อไรมันก็แซงขึ้นหน้าเราไม่ปล่อยขยับแซงมันให้ได้แซงมันให้ได้กําลังมากกว่าสงบหลายครั้งสงบบ่อยๆพิจารณาให้รู้เห็นเลยมันเกิดความเข้าใจยอมรับตามที่เป็นตามตามที่เป็นจริง รู้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้า่ายในหัวใจเราเราตั้ง อ, อกตั้งใจพิจารณาเอากํามมาจากความสงบมาพิจารณาให้เห็นให้เก็บให้หลาบให้เห็นภาวะความเป็นจริงของมันเราจะเราเราก็จะได้อ่าได้ถามเข้าสูงในใจทุกโทษอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พอจะรู้ทันมมนอะไรเป็นเหตุเพื่อความทุกข์ รู้ทันมันอะไรเป็นเหตุเพื่อความสุขรู้ทันมันถือเอาประพุทธเอาปฏิบัติเอาเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปนะต่อไปเงียบภาวนา